4. วัสสิกะสาติกะสิกขาบท 47. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้สแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนณนที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารกพวกภิกษุฉับพคี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉัพคีแสแวงหาจีวอนคือผ้าอาบน้ำฝนเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนในวัสิกะสาติกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน